บางทีพวกเธอจะมีความคิดขึ้นว่าเราเนี่ยนะเป็นผู้ประกอบด้วยหีริโอตา ป, ปะเราเป็นผู้มีกายสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีสมาว จ, จีสมาจารบริสุทธิ์เราเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธนะิ์นะโอยบริสุทธิ์ทั้งสามทวารเลยใช่ไหม ฮริโอตา ป, ปะก็มีกิจเพียงเท่านี้ชื่อว่าพอแล้วละ่ะสําหรับเราเนี่ยเราทํากิจเสร็จแล้วสามัญญาป ร, ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะเราถึงแล้วโดยลําดับกิจอะไรอะไรที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มีอีกแล้วเธอก็เลยยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้กิจคือพอใจอยู่แค่ฮิริโอตา ป, ปะกายสมาจารวจีสมาจารและมโนสมาจารบริสุทธิ์เราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายกิจ คือข้อปฏิบัติที่เธอต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะให้ปรารถนาคุณทรรมให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเถอะว่างั้นดูก่อนภิสูจทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกเป็นอย่างไร พวกเธอควรศึกษาก็คือสมาทานอธิษฐานที่จะเจริญอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีอาชีพที่บริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องต้องคอยระวังเราไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธินั้นบางทีพวกเธอเพึงจะมีความคิดว่าเราเนี่ยนะก็เรียกว่าระลึกถึงความดีของตนว่าตัวเองมีความดีอะไรบ้างล่ะเช่น ประกอบด้วยเฮริโอต ป, ปะมีกายสมาจารบริสุทธิ์มีวจีสมาจารบริสุทธิ์มีมโนสมาจารบริสุทธิ์อาชีพของเราก็บริสุทธิ์ด้วยกิจเพียงเท่านี้พอแล้วล่ะสาหรับเรากิจทั้งหมดเนี่ยเราทำเสร็จแล้วประโยชน์ของความเป็นสมณะสงบกิเลสเราทำสำเร็จแล้วโดยลาดับเพราะฉะนั้นกิจอะไรที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่มีอีกพวกเธอก็เลยยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้ เราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาไว้อย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะแกว่าอย่าอะไรนะเห็นแกเล็กแก น, น้อยเห็นแก่คุณธรรมเบื้องล่างก็เลยเลิกฝักใฝ่ที่จะมี คุณธรรมเบื้องสูงสังเกตดูว่าพระพุทธเจ้าสอนภาเวตาธรรมสอนให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนั่นนะให้สงบยิ่งขึ้นไปให้ประณีตยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะไม่ได้สอนให้สันโดษหยุดอยู่บอกเท่านี้ก็พอแล้วเป็นต้นไม่มีทีนี้ต่อไปอีกดูก่อนพิสูจน์ทางหลายกิจที่ควรทําให้ยิ่งขึ้นไปอีกเป็นอย่างไรพวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่า เราทั้งหลายจักเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายเครียกอะไรคุ้มครองก็แปลว่ารักษาทวารทั้ง6เช่นเห็นรูปด้วยจกักษุแล้วไม่ถือโดยนิมิตนิมิตแห่งราคะโทสะโมหะเนี่ยนะไม่ถือโดยอนุพยัญชนะที่เป็นรายละเอียดที่ก่อให้เกิดราคะโทสะโมหะเพราะฉะนั้นเราจักปฏิบัติเพื่อสํารวมจกักขุนสี่สัมรวมตาสํารวมด้วยสติสัมปชัญญะเพราะถ้าหากว่าไม่สํารวมด้วยสติสัมปชัญญะแล้ว จะเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอั ล, ลามกเขื่อพิชชาและโทมนัสครอบงําได้เพราะฉะนั้นเราจักรักษาจากักขุนศีรักษาด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยนะสติสัมปชัญญะเป็นเครื่องรักษาจากักขุนศีเพราะฉะนั้นเราจักถึงความสํารวมด้วยสติสังวรในจกักขุนศีเนี่ยนะเรียกว่าอะไรทวานตาเนี่ยเจริญแต่สติสัมปชัญญะไม่ใช่เจริญอภิชากับโทมนัสเนี่ยนะ ก็แปลว่าไม่ได้มองเพื่อจะสูบไม่ได้มองเพื่อหาเรื่องแต่เป็นการมองเพื่อเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมองแล้วเป็นสติศาสกะสัมปชัญญะมองแล้วเป็นสติโคจระสัมปชัญญะมองแล้วเป็นสติเป็นอะสัมโมหะสัมปชัญญะและสัปปายะสัมปชัญญะเป็นต้นไม่ใช่มองหาเรื่องไม่ใช่มองแล้วก็สูบเข้ามาเนี่ยนะแบบมองแบบมือประมึกหรือใหญ่แมงมุมแล้วแล้วก็เหมือนว่าหวานแหแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่มองแบบนั้นเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นได้ยินเสียงด้วยโสต ด, ดมกลิ่นด้วยคานะลิมรสด้วยลิ้นถูกต้องโพธภะด้วยกายรู้แจ้งธรรมมารมด้วยใจแล้วจักไม่ถือโดยนิมิตจักไม่ถือโดยอนุพยัญชนะจักปฏิบัติเพื่อสำรวมโสตินสีสำรวมคานินสีสำรวมชิวหินสีสำรวมกายินสีสารวมมนินสีก็คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจ เพราะถ้าหากว่าไม่สํารวมตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยนะครัไม่สํารวมก็แปลว่าเปิดถ้าเปิดแล้วอะไรเข้ามานะถ้าไม่ปิดด้วยบุญกุศลอาคุณลธรรมอลามกคืออภิชาและโทมนัสกครอบงําได้นะเพราะฉะนั้นสังเกตเลยว่าถ้าไม่ปิดแผลคือเขาบอกว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าใครเคยเข้าจะเออเข้าไปตาหูจมูกลิ้นกายใจพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนแผล เหมือนกับหมอผ่าตัดเนี่ยนะถ้าผ่าเสร็จแล้วก็ขูดเอาโรคภายในออกแล้วเนี่ยนะถ้าเปิ ด, เ ป, ดเปิดแผลทิ้งเอาไว้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเ<ม>ชื้อโรคทั้งหลายก็จะเข้ามาก็จะเป็นหนองเป็นอะไรเป็นต้นจะต้องมีอะไรมาปิดชั้นใดแผลคือตาแผลคือหูแผลคือจมูกแผลคือลิ้นคือกายคือใจของเราก็เหมือนกันต้องปิดด้วยสติและสัมปชัญญะระลึกถึงประโยชน์ของการเห็นให้เสมอดูทาไมเนี่ยนะ แม้เขามาดูทําไมเนี่ยมันเสียดแทงใจมากมตอบไม่ค่อยได้บางทีก็ดูเพราะชอบใจเฉยเฉยเนี่ยน ะ, ะทําไมต้องดูตอบไม่ได้ทําไมจึงอยากได้ทําไมจึงอยากฟังบอกโอ๊ยตอแล้วมันเจ็บใจเหลือเกินเนี่ยนะเขาก็มีนึกถึงเรื่องหนึ่งสมณีรูปหนึ่งเขาไปลาอาจารย์คิดว่าจะต้องไปลาอาจารย์ไปรู้อยู่แล้วว่าหลวงพ่อต้องถามว่าเธอไปทําไมก็อยากกลับเฉยเฉยเนี่ยแค่อยากมันไม่มีประโยชน์ไม่มีอย่างอื่นประกอบเลยแค่อยากเฉยเฉยเนี่ยเออถ้าอยากเฉยเฉยหลวงพ่อไม่ให้เราไปแน่ เลยร้องไห้อยู่ตรงนั้นเลยร้องไห้โอหลวงพ่อก็ถามว่าเอ๊ะเนร้องไห้ทําไมก็ผมอยากกลับบ้านอ้าวทำไมไม่มาขอหลวงพ่อผมก็มาคิดว่าผมขอผมหลวงพ่อจะถามว่าผมไปทําไมผมตอบไม่ได้ผมก็เลยร้องไห้อะไรอย่างงี้ยนะก็ว่าบางคนนี่ก็เป็นอย่างนั้นหลายๆอย่างบางทีเนะเอ๊ะเอามาทําไมประโยชน์ของสิ่งนั้นจริงๆอ่ะคืออะไรมีประโยชน์จริงๆต่อเรามีประโยชน์จริงๆต่องานของเราหรือว่าเพียงแต่ความสะใจของเรา ถ้าความสะใจมันหมดไปแล้วที่นี้เหลืออะไรกันเนีเ่ยก็เหลือแต่ภาระสิเพราะฉะนั้นจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของการเห็นของการฟังของการารู้กลิ่นรู้รสประโยชน์ของอาหารที่เราจะบริโภคเป็นต้นเนี่ยนะประโยชน์ของเรื่องที่เราเก็บมาคิดมันมีประโยชน์อย่างไรจะต้องสายใจในประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์เรียกว่ามีศาธกะสัมปชัญญาเนี่ยนะแล้วก็รู้ว่าเออแล้วดีจริงไหมสปายะไหมเป็นที่สบายไหม เนี่ยนะบริหารทั้งสมมถาวิปั ส, สนาให้ต่อเนื่องเป็นต้นได้ไหมพราะถ้าเจริญด้วยสาถกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญ า, า ส, ป, ญญาส ป, ปายาสัมปัญญาอะซัมโมหสัมปชัญญะไม่เผลอเลยว่าทำในทาวารตามีอะไรบ้างเนี่ยนะไม่เผลอทำในทาวารหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนะไม่เผลอโดยความเป็นขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาทปัจจัยทั้งหลายในทาวารตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นเรียกว่าอะซัมโมหสัมปัญญาเนี่ยนะ ก็ถ้ามีอย่างนี้เขาเรียกว่าปิดแผลไม่ให้ไม่ให้ใหนองเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะบางทีพวกเธอมีความคิดว่าพวกเราเนี่ยนะเรานี่เก่งนะมีอะไรประกอบพร้อมด้วยฮิริโอต ป, ปะเรามีกายก็บริสุทธิ์มีวจีสมาจาร์ก็บริสุทธิ์มีมโนสมาจาร์ก็บริสุทธิ์อาชีวะของเราก็บริสุทธิ์แล้วดูสิ สติสัมปชัญญะเราก็คุ้มครองดีแล้วในตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะทุกการเห็นการได้ยินเป็นต้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นกิจเพียงเท่านี้พอแล้วละ่ะเราทำกิจเหล่านี้เสร็จแล้วสามัญญาประโยชน์ของความเป็นสมณะพวกเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรที่เราจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วก็เลยยินดีพอใจหยุดอยู่ด้วยกิจเพียงเท่านี้ พระองค์ก็บอกว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่สามัญยะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่พวกเธอปรารถนาะอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะจากพุทธพจน์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราเห็นอย่างหนึ่งคือพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ คือบางคนเนี่ยเราคิดถึงบางกรณีเนี่ยในบางเหตุการณ์เนี่ยไอ้ใครบางคนมันลำพองเอ้เฮริๆๆโอตาปะพอแล้วเนี่ยนะบางคนเนี่ยมันไส้ว่าเอาแกก็มีเฮริโอก็หยุดอยู่แค่นั้นก็นแล้วกันเนี่ยนะฉันไม่ต้องแนะนําอะไรให้เธองอกเงยอีกต่อไปเพราะเธอหยุดอยู่แล้วอ่ะไม่รู้จะต่อยอดให้เธอยังไงแต่พระพุทธเจ้าจะเป็นคนที่เรียกว่าอะไรกรุณาคื อ, ค, อคือกรุณาเหลือกเกินที่เขาจะหยุดอยู่ด้วยคุณธรรมตอนนั้นพระองค์มีเมตตาที่จะน้อมประโยชน์สูงสูงให้แก่เขาต่อไป นะพระองค์เนี่ยมีการุณาที่จะเปลื้องทุกจากเขามีเมตตาที่จะให้เขาได้รับประโยชน์ยิ่งยิ่งขึ้นต่อไปพระองค์จะไม่หยุดอยู่แค่นั้นเพราะว่าศาสดาผู้บริบูรณ์ด้วยเมตตาและการุณาและและพระองค์มีปัญญารู้นะว่าถ้าเขาหยุดอยู่ด้วยคุณธรรมเพียงแค่นี้ระยะยาวต่อไปไม่มีไม่มีเสถียรภาพไม่มีความมั่นคงที่ที่แน่นอน ก็เหมือนกับว่าถ้าไปยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงไปหยุดอยู่ในระหว่างทางก็อันตรายกุศลธรรมทั้งหลายเหล่านี้จริงอยู่ดีจริงเป็นคุณธรรมที่ดีแต่ยังไม่ถึงที่สุดเมื่อไม่ถึงที่สุดก็แปลว่ายังไม่มีความแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหยุดอยู่เท่านั้นประโยชน์สูงสุดที่ควรจะได้รับก็กลายเป็นพลาดไปเลยเพราะฉะนั้นอย่าได้เสื่อมเลยเนี่ยนะก็บอกว่าขอบอกขอเตือนว่าประโยชน์ที่พวกเธอปรารถนา อย่าเสื่อมเลยอันนี้แปลว่าพระองค์นี้กรุณาต่อเราจริงๆและพระองค์มีเมตตาหวังแต่ความเจริญให้แก่เราทั้งหลายมารดาผู้หวังแต่맡맡 wow> <S <S ความเจริญแก่บุตรชั้นใดพระษาสดาของเราก็ยิ่งกว่านั้นเพราะมารดาบิดาของเราทั้งหลายโดยมากก็หวังแต่ความเจริญทางสรีระร่างกายบางทีก็หวังความเจริญทางสุขภาพอนามัยหวังความเจริญในเรื่องของปัจจัย4ี่เป็นต้นแต่พระพุทธเจ้าหวังดียิ่งกว่านั้นพระองค์หวังแม้กระทั่งมรรคผลนิพพานที่ สาวกทั้งหลายหรื อ, อสพัพพสัตทั้งหลายควรได้รับเนี่ยนะว่าพราะองค์นี้มีเมตตาอย่างหาที่สุดไม่ได้ข้อ466ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าที่กล่าวไปแล้วเป็นอย่างไรพวกเธอพึงศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้รู้จักประมาณในโภชนะรู้จักประมาณในโภชนะนี่แปลว่ารู้จักตอนแรกก่อนเลยรู้จักประมาณว่า สแสวงหาโภชนะเนี่ยควรจะสแสวงหาอย่างไรโดยไม่ผิดศีลผิดธรรมผิดวินัยและคำสอนสองรู้จักประมาณในการรับแค่ไหนเนี่ยเรามีแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจึงจะสมควรไม่ให้เอากองกองไว้ทำไมบางทีมีผ้ากองไว้เป็นกรุษกรุจนจะเผากุฏิเนี่ยนะเก็บไว้ทำไมเนี่ยนะอาหารบางทีเก็บซะจนเปื่อยเน่าจนบูดเน่าเฟะเละเต็มกุฏิไปหมดเก็บไว้ทาไม เรีว่ารู้จักประมาณในการรับว่าควรจะเก็บไว้แค่ไหนแค่ไหนเพียงจะสมควรและเหมาะสมแต่ถ้าตันหามันไม่เคยพอนะอย่งยังอย่งยกเอาตันหาไม่นด้เอาแค่ความเหมาะสมว่าสมณะทั้งหลายเนี่ยควรจะมีปัจจัยเท่าไหร่ควรจะเก็บอะไรไว้เท่าไหร่ที่เหมาะสมไม่ผิดธรรมวินัยและไม่เสียสารูปแห่งความเป็นสมณะแล้วก็รู้จักประมาณในการบริโภคนั่นนะ รู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับเก็บเนี่ยนะแล้วก็บริโภคใช้จ่ายออกไปเพราะพิจารณาโดยเย็บคายแล้วจึงบริโภคอาหารหรือกลืนกินอาหารว่าอาหารที่เราบริโภคนี้เนวทวายะนมะทายะนมันนายะนวิภูษนายะไม่ใช่กลืนเพื่อจะเล่นกลืนเพื่อเล่นก็คือเด็กใช่ไหมเด็กนี่กินกินอิ่มแล้วจะได้รีบไปเล่นไหเด็กนี่จะรีบทานอาหารจะได้รีบไป เล่นถ้าเล่นอย่างนั้นก็ฉลาดเท่าเด็กเธออย่าไปกินอาหารแบบเด็กนะกินอาหารแบบเด็กเด็กกินเสร็จแล้วก็เพื่อจะไปเล่นเธอต้องไม่เป็นแบบเล็กหรือไม่กินเพื่อเมาเช่นนักมวยกล้ำทั้งหลายเนี่ยมัวเมาเมาในกว่าตัวเองเป็นผู้มีเรี่ยวมีแรงกินเพื่อเสริมอะไรเสริมเสริมอะไรเสริมสมรรถภาพอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะหรือกินเพื่อตกแต่งเพื่อประดับแบบสาวชาววังเป็นต้นกินเพื่อความงามเป็นต้นไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะฉะนั้นไม่ได้กินเพื่อเล่นแบบเด็กๆไม่ได้กินด้วยอำนาจโมหะอย่างนั้นไม่ได้กินด้วยอำนาจมานะะไม่ได้กินด้วยอำนาจฉันทราคาเพื่อประดับประดาตกแต่งกายที่เปือยเน่านี้แต่กลืนกินอาหารบริโภคอาหารให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เป็นไปได้ในอิริยาบถสี่ห่างไกลาจากความเบียดเบียน ป่วยถ้าไม่บริโภคอาหารมันก็อ่อนเพลียใช่ไหมมันก็อ่อนเพลียเหน็ดเหนื่อยเป็นต้นเนี่ยนะเพราะนั้นก็บริโภคอาหารเพื่อให้ร่างกายเหล่านี้เป็นไปได้ถ้าร่างกายเป็นไปได้ก็จะอนุเคราะห์แก่พรอาจรรย์คืออธิศีล น, นะถ้าสุขภาพดีก็รักษาศีลด้ดียิ่งขึ้นบอกเออศีลเนี่ยไม่ใช่ว่านั่งนิ่งๆแล้วเป็นศีลเฉยๆใช่ไหมศีลมีทั้งจารีศีลมีทั้ง วารีศีลเนี่ยนะมีทั้งปาติโมกขสังวรศีลอินทรีย์สังวรศีลปัจจยศีล น, นิสิตานิสิตาศีลและหาชีวะปาริสุทธิศีลเพราะฉะนั้นอาหารบริโภคก็จะเป็นอาหารสั ป, ปายะอนุเคราะห์แก่ศีลอนุเคราะห์แก่สมถะและวิปัสนาทั้งหลายเนี่ยนะบริโภคอาหารเพื่อสงเคราะห์สมถะวิปัสนาเรียกว่าการบริโภคอาหารเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์แล้วก็เพื่อบำบัดเวทนาเก่าเพราะถ้าให้บริโภคจะเป็นยังไง ความหิวเนี่ยก็ถือว่าเป็นโรคที่มันรักษาไม่หายไม่หายแท่นอนเนี่ยนะแต่ว่าได้อาหารก็พอที่จะบรรเทาและก็ไม่บริโภคจนเกิดเวทนาใหม่เกิดขึ้นไอบริโภคจนเกิดเวทนาใหม่เนี่ยนะในคัมพี์ท่านเล่าเช่นแบบพวกหัตถ ะ, ะพราหมณ์ก็คือแบบว่ากินเสร็จต้องให้คนอื่นฉุดมือลุกขึ้นอ่ะนะเพราะบางทีแบบนั่งแบบสมัยก่อนนะกับแบบพวกคลายแบบคลายผ้านุ่งก็มี หรือพวกในที่สุดพวกไอกาจิกกินเนี่ยนะกลืนจนมันอ้าปากค้างก็กลืนจิกกลืนกินแต่เขาบอกว่าเออบางบางทีพวกเราอยู่ในสมาคมเหล่านี้เนี่ยเราอาจจะนึกไม่ออกมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือแต่ถ้าไปศึกษาเรื่องนักกินทั้งหลายนักบริโภคทั้งหลายนี่มันเป็นอย่างนี้จริงจริกินจนมันอ้าอ้าคับปากไว้อย่างนั้นแหละเนี่ยนะกลืนไม่ลงเนี่ยมันอา้าคับปากเตี้พวกไหนพวกแข่งกินไงพวกนี้กินจริงๆเลยเนียนะกินกะินกะินกะินกะินกะินสามวันสามคืนติดกันเลยก็มีน้ำหนักขึ้นทิง ภายในสองสามวันขึ้นห้าโลเจ็ดโลเนี่ยนะกินขนาดนั้นน่ะรู้กับเพาะลำไส้มันทำด้วยอะไรกับะรัแต่ว่าเออเพราะฉะนั้นอย่าให้มันอย่างขนาดนั้นเลยเนี่ยนะ